หมายคขาว่ามันจะเจ็บปวดมันจะทุกข์จะทรมานยังไงก็ช่างขอเจริญคำสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติต้องใส่ใจต้องเจริญต้องทําให้มากให้ได้อย่างเดียวนะนะหลังจากว่าถูกด่าก็ให้เจริญคุณธรรมต่อไปถูกทุบ ถ, ถ, ถูกตีเนี่ยนะก็ให้เจริญคุณธรรมต่อไปจะเจ็บจะป่วยจะอย่างไรก็ช่างแต่ก็ขอให้เจริญคุณธรรมต่อไปเพราะคุณธรรมที่เจริญนี้เป็นอะไร เป็นนิยานิกธรรมเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยนะเพราะการพิจารณากายอานะการพิจารณาธาตุพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยเหตุโดยปัจจัยโดยสมุทัยโดยนย่าต่างๆพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นต้นนะโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนะอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะนะการเจริญเหล่านั้นที่พระองค์บอกว่าเป็นการเจริญเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะ การเจริญเพื่อข้ามพ้นโศกกระปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเพื่อดับไปแห่งทุกเพื่อทำอเพื่อให้อริยมรรคเนี่ยเจริญขึ้นเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งเพราะนั้นจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างก็ไม่เลอะไม่เลือนไม่เพล อ, ลอในการเจริญกุกศลธรรมทั้งหลายถือเอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นภาระเป็นสาระเนี่ยนะถ้านึกถึงคําพูดอย่างนี้เนี่ยนะกลุ่มทหารที่ที่สู้รบทั้งหลายเนี่ย เมื่อถูกยิงแล้วก็นอนให้เขามายิงซ้ำอีกใช่ไหมแลวทำไงต่อไปก็ตะเกียกตะกายต่อสู้จนได้รับชัยชนะผู้ที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าได้รับโลกลธรรมฝ่ายไม่ดีถึงจะเลวร้ายขนาดนี้ก็เห็นภัยของร่างกายยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นภัยของขันอายตนะธาตุให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมไปเพื่อเจริญกุศลธรรมให้เจริญเติบโตเรียกว่า มานสัสการใส่ใจคําสอนของพระพุทธเจ้าสังเกตดูในเนว่าเนื้อหาในพระธรรมที่พระสารีบุตรยกมากล่าวนั้นเนี่ยกล่าวถึงการมานสัสการโดยาธาตุกรรมฐานหมายคือว่าตัวอารมณ์นั้นคือปัตตวีาธาตุอาโปาธาตุเตโชาธาตุวายโยธาตุหัวข้อที่เรากําลังพูดถึงนี่คือปัตวีาธาตุมานสัมนสมนัสการใส่ใจปัตวีาธาตุโดยปฏิเสธตัณหามาณและทิฏฐิ แล้วเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอนิพพานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาเจริญอะนุปัสสนาทั้งเจประการในธาตุดินน้ำไฟลมหรือเจริญอนุปัสสนาเจ็ดในปฐวีธาตุเมื่ออนุปัสสนาเจ็ดกำลังดำเนินเป็นไปอยู่อย่างนี้ถูกด่ก็มนดำเนการสังขารธรรมโดยอนุปัสสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าถูกทุบถูกตีถู ก, ถ ก, ถ ก, ถกประหัรประหารก็ยิ่งเจริญให้ไปอีกประารลนะนะ ท่านบอกว่าความเพียรปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งไว้แล้วก็ไม่หลงลืมกายตั้งเอาไว้ให้สงบก็ไม่กระวนกระวายจิตก็ตั้งเป็นเอกัคคตาแล้วมนณสิการว่าจะต้องปฏิบัติใส่ใจในคําสอนอันนี้แปลว่าเป็นการเจริญอินสีหต่อต่อไปเนี่ยนะความเพียรก็เป็นวิริยินสีก็เท่ากับกล่าวอะไรส ม, มปทานสี่สติตั้งไว้ไม่หลงลืมอันนี้ก็เป็นสติปทานส่นนะ จิตกายกับจิตเนี่ยนะให้สงบโดยโดยอะไรเป็นสมาธิสีศักจะต้องปฏิบัติในคําสอนเนี่ยนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะต้องทําให้ได้บรรทัดที่สามหน้าห้าร้อเก้าอันนั้นเป็นสัทธินีเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยนะก็เป็นการเจริญปัญญาแล้วเจริญอินรีห้าเพื่ออะไร เพื่อให้รู้แจ้งซึ่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาคือวิปัสนานุเบกขาเนี่ยนะคือวิปัสนาญาณทั้งหลายอาศัยกุศลธรรมก็ย่อมไม่ตั้งอยู่พร้อมเจริญยังไงกุศลธรรมก็ ไม่ค่อยตั้งอยู่ใช่ไหมเพราะปกติแล้วให้อากุศลมันจเจริญกุศลธรรมไม่ค่อยจเจริญเมื่อกุศลไม่จเจริญอากุศลมันจเจริญขึ้นทํำยังไงภิกษุนั้นย่อมสังเวชใจสังเวทคือสลดใจเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วเนาะเราลาบไม่มีกับเราลาบแปล ว, ว่าได้ดีเนี่ยเราไม่ได้ดีแล้ว เราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ลล อ, อ, นอุเบกขาคือวิปัสนาอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ไม่ตั้งอยู่ได้เนี่ยนะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาใสใจปทวีธาตุอาโปธาตุเป็นต้นมนสิการผมขนเล็บโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาน้นอมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดกันะ เป็นการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นถูกด่าไปก็กุศลไม่เจริญแล้วเนี่ยนะถูกตีกุศลก็ไม่เจริญสติที่ตั้งไว้สัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ไม่เจริญจิตไม่น้อมไปในอนุปัสนาทั้งหลายสังเวใจเลย มันเสียหายมากเลยนะเนี่ยขนาดเจริญพุทธคุณก่อแล้วเจริญพุทธคุณว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระาหันเป็นต้นเนี่ยนะอิติปิโสก่อแล้วสวาก ข, ขาโตก่อแล้วสสปฏิปันโนก่อนแล้วสังเวชใจแทว่าเราเนี่ยแหมมันเสียหายมากเลยนะไม่ใช่ลาบก็แปลว่าเสื่อมลาบแหมหมดลาบก็แปลว่าหมดบุญเนี่ยเราเนี่ช่างบุญน้อยเหลือเกินเพราะอะไรเพราะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างนี้อยู่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 ไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแหละสังเวชใจมากเลยนะว่าทําไมกุศลจึงไม่เจริญทําไมไม่เป็นราบของเราเนี่ยนะทั้งๆที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอย่างนี้พระธรรมที่นําออกจากทุกอย่างนี้หมู่ภารยะทั้งหลายมีภาษารีบุตรเป็นต้นท่าน ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างนี้ทําไมวิปัสสนาทั้งหลายของเราจึงไม่เจริญทําไมกุศลธรรมทั้งหลายของเราจึงไม่เจริญสังเวทใจเพราะสังเวทใจแล้วเลิกเลยใช่ไหมบอกไม่ยิ่งน้อมยิ่งกะะ็เรียกยิ่งตั้งอัตตสัมมาปณิธิเพื่อให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่ยนะ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 คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสษุทําให้มากแล้วเนี่ยนะเป็นการเจริญให้มากแล้วเป็นการปฏิบัติตามคำสอนแล้วย้อนกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ า, าหมวดว่าด้วยปัทวีธาตุเนี่ยนะปัทวีธาตุเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรปัทวีภายในกับปัทวีภายนอกตรงนี้เน้นพิเศษคือปัทวีภายในไม่ค่อยเน้นปัทวีภายนอกถามว่าเพราะอะไรทาไมอะ ในหน้า535กล่าวว่าภาษารีบด์นั้นะนะแสดงปฏวีภายในเนี่ยเป็นเป็นส่วนมากปฏวีภายในคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนปฏวีภายนอกเช่นเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเป็นต้นเนี่ยไม่ค่อยแสดงแสดงไว้แต่เพียงย่อๆยอเพราะอะไร เพราะว่าในที่ใดสัตว์ทั้งหลายมีความอะไรใคร่ปรารถนากลุ่มรุ ม, รมยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงในที่นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพุทธสาวกจะกล่าวเรื่องนั้นอย่างพิสดารอย่าลืมว่าตัณหาเมื่อเกิดเกิดที่ไหนถ้าบุคคลจะละตัณหาก็ต้องละที่นั้นถ้าหากว่าตัดตัณหาเนี่ยนะเพลิเพลอในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยมากก็จะแสดงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะตัด ฉันทราคาในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้มากแต่ถ้าที่ไหนไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะสอนให้ละทำไมใช่หสิ่งไหนที่ไม่อะไรไม่อาว و ไม่ติดไม่คล้องไม่รู้จะสอนให้ละทำไมเนี่ยนะอันหนึ่งที่ใดสัตว์เอ่อเรียกว่าอะไรคือตันหาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีกำลังที่นั้นท่านจะแสดงไว้โดยย่อเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าชาวนาเมื่อไถนาก็หยุดโคไวในที่ไถมันติด เพราะอะไรเพราะติดในรากไม้ตอไม้หนาแน่นคุยดินขึ้นตัดรากไม้และตอไม้ยกขึ้นแล้วก็กระทําความพยายามมากถ้าหากว่าที่ใดไม่มีรากไม้และตอไม้ก็ไม่ต้องพยายามณนะที่นั้นคนที่ไถนาเนี่ยจะรู้ดีเพราไถไถไถเข้าไปเนี่ยไปเจอตอไม้เจอรากไม้เยอะๆเนี่ยมันไถไม่ไปอ่ะเมื่อมันไถไม่ไปทําไงต้องขุดต้องขุดแล้วก็ตัดรากดึงรากตัดตัดตัดออกไปแล้วจึงจะไถต่อไปได้ ในที่บางแห่งเนี่ยมันไม่ติดเลยเมื่อมันไม่ติดจะ ต, ต้องพักทําไมฉันใดาอารมณ์เหล่าใดปเป็นที่ตั้งแห่งตันหาถ้าจะละตันหาก็ละณนะที่อารมณ์ณนะที่นั้นนั้นผมขนแล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยอาวอนเป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใหญ่มากพระสารีบุตรก็เลยแสดงเพื่อให้ตัดฉันนราคะในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจความอาลัยอาวรนเหล่านั้นเนี่ยมาก นะอันนี้เป็นวาระว่าด้วยปฐวีธาตุมาดูอาโปธาตุเนี่ยนะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อาโปธาตุเป็นไนะคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตุภายนอกคืออะไรก็พวกเนี่ยน้ำประปาน้ําคลองห้วยหนองเป็นต้นเนี่ยนะพวกน้ําทั้งหลายภายนอกอะนะนั่นแหละเรีย ก, กว่านานะอาโปธาตุภายนอก ก็อาโปธาตภายในเป็นไนาอาโปธาตภายในก็คืออุปาทินกะรูปที่มีอยู่ในภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอบอบาบคืออะไรน้ําดีปิดตังเนี่ยนะเซมหังเ ส, สมหะบุบโพน้ําหนองโลหิตังน้ําเลือดเสโทเงือเมโทมันค้นนี่ยนะน้ำตาเนี่ยนะอสุวาสาเปลวมันหรือมันเลวเขโลน้ําลาย สิงคานิกาน้ำมมกลัศกาน้ำไข่ข้อมุตตังน้ำปัสสาวะน้ำมูดเนี่ยนะก็คือน้ำเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอาโปธาตที่มีอยู่ในภายในที่อยู่ในกายนี้หรือถึงหรืออุปาทินกะรูปอันใดที่มีลักษณะเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบาบนี้เรียกว่าอาโปธาตในภายในคือธาตุน้าที่อยู่ในผมในเล็บในฟันในหนังในเนื้อ มันก็เจือปนไปด้วยอาโปธาตุสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอาโปธาตุอาอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายในอาโปธาตุอันใดแลเป็นไปในภายนอกเียนะเราให้ความสำคัญธาตุน้าภายในกับภายนอกอันไหนมากกว่ากันนะให้ความสำคัญกับน้ำก๊อกไหลกับน้ำประตะน้ำตาไหลเนี่ยสนใจอันไหนมากกว่ากัน โอ้ยน้ำตาไหลสักสองหยดเรื่องใหญ่เรื่องโตนเนี่ยนะน้ำก๊อกเปิดดังฟู่ไหลมาเป็นทางแล้วยังใฉยใฉยแสดงว่าให้ความสัมพันธ์กับน้ำตาเรียกว่าน้ำภายใน น, ยใ น, น้ำภายในกายเป็นต้นเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยฝนจะตกหยดเม็ดขนาดไหนก็ช่างเถอดถ้าเทียบกับ น, น้ำเหงื่อเราหยดติ่งติ่งสักไม่กี่หยดนะี่ใช่ไหมเรื่องใหญ่มากฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนลูกเห็บตกมาก็ช่างมันเถอดก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเทียบกับเหงื่อหยดบ้างในเริ่มเลยนะใช่ไหมแสดงว่ายึดติดในอาโปธาต์ในภายในเนี่ยมากเมื่อยึดถือมากพระสารีบุตรก็สอนว่าอาโปธาต์ภายในก็เถออาโปธาต์ภายนอกกระชั้นทั้งหมดนั้นมันก็คืออาโปธาต์พึงเห็นอาโปธาต์นั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาเราไม่เป็นนั่นด้วย อนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุป hm ัสสนาครั้นเห็นอาโปธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาต์ยังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาต์อาโปธาต์เนี่ยนะถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนะนั่นไม่ใช่ของเราเป็นทุกขานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นเป็นอนิจจานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเป็น อ น, นัตตานุปัสสนาก็เจริญอนุปัสสนาสาในอาโปธาต์เนี่ยนะเจริณะเห็นว่าน้ําดีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะน้ำดีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะน้ำเสลยหรือน้ำเสมหะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ํำน้องอ่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ําเลือดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ําเหงื่อไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาน้ํามันข้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำตาน้ำตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลวมันหรือมันเหลวเนี่ยนะมันเหลวที่แบบเช็ดหน้าแล้วอะไรนะมันมันออกมานั่ยเราเรียกว่ามันเหลวหรือที่เรียกว่าเปลวมันอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำลายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ำไข่ข้อก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตนถึงน้ำปัสสาวะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือบอกว่าปฏิเสธตันหามานะเละ ทิฏฐิทั้งหลายนีนะด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนาถ้าเห็นด้วยอนุปัสสนาถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหนายนิพพิธาเนี่ยนะเบื่อหนายในอาโปธาต์นะเรียกว่านิพพิธานุปัสสนายังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาต์นั้นเป็นวิราคานุปัสสนาอนุปัสสนาเจ็ดเมียรบ้างหนึ่งอนิจจานุปัสสนาสองทุกขานุปัสสนาส อนัตตานุปัสสนาสี่นิพพานุปัสสนาหา้าวิราคานุปัสสนาหกนิโรธานุปัสสนาเจ็ดปฏิิสักานุปัสสนา